สิ่งที่ฉันหวังสิ่งที่ฉันคอยอาจจะเหมือนเลื่อนลอยเกือบจะฝันไปมองหาคนคนหนึ่งที่ไม่รู้เป็นใครและไม่รู้เมื่อไรจะพบคนผู้นั้นส่วนชีวิตฉัน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 มอกแลควันช่วยกันพรานตามีขอบรู้ขอบกำแพงสร้างมาตึกระฟ้าคอยบังเราอยู่แต่เราก็หากันจนเจอ มันนานแค่ในที่คอยเธอมารู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่าเมื่อมีใครสักคนข้างกดเกิดมาเพื่อหาใครคนหนึ่ง เป็นคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจเราตางรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่แต่มันคงไม่ยากเกินไปที่ฉันจะพบเธออาจมีสักครั้งที่เราสองคน ผ่านทางที่โ ว, ว้กวาอยู่ใกล้ใกล้กันใบไม้เพียงใบเดียวหล่นตอนที่เดินผ่านฉันคงจะมองมันแล้วเธอเดินผ่านมาอาจบางทีในเมืองกว้างใหญ่มอกและควันช่วยกันพรา ต่มีขอบรูขอบกำแพงสร้างมาตึกระฟ้าคอยบังเราอยู่แต่เราก็หากันจนเจอมันนานแค่ไหนที่คอยเธอมา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 รู้โรคมันแสนกว้าใหญ่แต่มันคงไม่ยากเกินไปที่ฉันจะพเธอ